สิกขาบทที่9เรื่องพระชัพพคี584สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสวัสถีครั้งนั้นพวกพิษุชัพพคีเดินเวกผ้าไปในละแวกบ้านพระบัญญัติ9พึงทำความสำเนียกว่าเราจะไม่เวกผ้าไปในละแวกบ้านเรื่องพระชัพคีจบสิกขาบทวิพัง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 เก็